งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะที่มิลล่าศุกร์วานุคุลล์รหันต์ได้นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะที่การแสดงมังกรวานุคุลีรหันตีได้สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะที่ชุดยักษ์คาร์บุตรวานุคุลล์รหันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะเกียรตยาบการวีรวารนูขุลลารินดาเหรอหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะคีจิตร์ศัลลาชุกร์วารนูขุลลีรินดีเหรอสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะคีทศิวีรางขิจยาจาศักดิยาฮานะต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ คि प ् र व े श ุลกเดินาฮีพว่าค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะพรเวชกกินหนาุ่นมีส่วนรถสำหรับบูคณะไหมคะคि स มุหลยก้อู ट หุ क क ่ द ी है มีส่วนรถสำหรับเด็กไหมคะคีบจี่ยาเลยก้อยชู ट หุं द ด है มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะคิดวิทยาธิยาเลย์กยิ่ชูดหุนดีเหรนั่นตึกอะไรคะโอ้อาคารกี่เหรตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะโอ้อิมารกี่เนสรางมานานกี่ปีแล้วคะใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะโออาคารกีคนสร้าง ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมแม้วัสดุศิลปวัด์ลชิสปีรักดาดิฉันสนใจในศิลปกรรมเมริรุชีศวเฮดิฉันสนใจในจิตตกรรมเมริรุชีจิตรวัเฮ